มากคนนี้ไปผมต้องโดดนี้ตั้หม่บ้นไปอยู่คนเดียวตายคนเดียวสบายดีนี่เพราะเห็นใจหมู่บ้านแล้วก็มาก็เป็นอย่างวา่านุ่มย่างนุ่มย่างเลยดวนเลยไปหมดวัดไปจะหาหลักเกณฑ์ไม่ได้นะอันนี้ไม่เคยมีมานะมาจากทิพไหนต่อทิหนัยเรามาแล้วมันตะกรุดตะทวง ยับยั่ยมกันลงไปนั่นแหละเงะนนาไม่เยกันน้าไม่สําคัญสําคัญทมันเป็นไห้เห็นมันอยู่ต่อหน้าต่อตายั่วยเยี่ยยั่วยเยี่ยยั่วยเยี่ยมจะสั่ง ม, มาจากทิ้ไหนต่อทิ้งไหนใครมี re, รับที่นิสัยยังไงก็ออกมาจ่ายตลาดถ้ามันเป็นค่าเป็นราคาพอจะยึดไว้มันก็ดีอันนี้มันไม่เป็นท่านริงจัง มันจะกลายเป็นเมื่อวันวันต้องหึงหึงนะเม่ใจปฏิบัติคู่ว่ า, า, วาจะดำเนินมาเพื่อถอดถอนอยู่เลยไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเรื่องวัตถุมันเร็วการสอนก็สอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนทุ่งแี่ทุกหมู ไม่มีอะไรสงสัยว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ในใจนี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่ได้สอนหมู่เพื่อนไม่ปรากฏนํนำออกมาสอนบอกปฏิบปทาเครื่องําเลยทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้มากต่อมากในเลอเลอะเทอะเท อ, อ, อ, อ, อ, อไปมันหันกรื่นกันไปในตัวลากถูกันไปในตัวให้ตลกปลอกเปิบไปตามๆกัน หลักสำคัญของการพาปฏิปทาคือการดำเนินเพื่ อ, เ พ, อ, เ, พอเพื่อแก้เพื่อตัดตอนจิเหลมันคืออะไรนี่เราบอกแล้วความระวังตั้งตัวอยู่เสมอต้องตัดความอยากความเสียดายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยสัมผัสสัมพั์อันเป็นเรื่องของจิตเหล็กล้วนๆอย่างไม่เสียดายไม่อะไรนี่คือปฏิปทา อยากเห็นไม่เห็นอยากดูไม่ดูอยากฟังไม่ฟังจึงเรียกว่าเป็นท่าต่อสู้กันส่วนมากความอยากรู้อยากเห็นอั น, นี้มันมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสทั้งนั้นกองเต็มหัวใจมันไม่มีเรื่องอัดต้องทำเลยในวงผู้ปฏิบัติเไม่จะว่าตอดถอนกิเดลสยังไงมันมีแต่กิเลสทํางานถ้าวัตธรรมมีอยู่บ้างเล็กน้อยก็ิเลสสังหารทําอยู่ตลอดเวลา ายในหัวใจเราของผู้ปฏิบัติเพื่อฆ่ากิเลสนั่นแหละแต่กิเลสฆ่าตัวเองไม่ดูเบญนาที่จะฆ่ากิเลสออกมาสักเยบหนึ่งก็ถูกกิเลสปัดมือหักขาหักไปหมดแล้วยอดลายแก้ก่เลสการปฏิบัติเพื่อแก้กิเลสต้องฝืนทั้งนั้น ทุกระยะมีแต่การฝืนมีแต่การต่อสู้นั่นแหละ <c oughs> คือปฏิวัติทา <c oughs> เพื่อตัดถ อ, ถอดยู่เลยไม่ใช่เพือลอยตามไม่ใช่ให้มันถุดลากไปยูตลอดเวลาทางตาทางหูงทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทำมารมณ์ที่มันที่มันมีตั้งแต่เรื่องผิดวิเลศขึ้นมาอยู่ตลอดเราไม่รู้ไ่พรมใจและลึกถึงอัดถึงทำ เร่งค่ากิเลสได้ชั่วันาดแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ไม่ทราบว่ากี่อิเดียบทถ้ามีสิบอิเดียบทก็จะทั้งสิบปีิยาบทเอ้โหเดินฟ้าไปปฏิเมฆปฏิไปเมฆไปปฏิปันญ์มันก็เหยียบย่ําไปตลอดถ้ามีกี่อิเดียบทมันก็เป็นอย่างนั้นคืบอกเคยสอนแล้วว่าอะไรที่แหลมคมที่สุดคล่องตัวที่สุดไม่มีอะไรเกินกิเลส นี่ได้พูดได้บอกเสมอเทวทีไรไม่เคยเว้นเรื่องสิ่งเหลนี้ต้องต่อสู้ตัดความอยากความเสดายอยู่ตลอดเวลานี่แหละความอยากความเสียดายนี่เป็นพื้นเพของจิตเดชโดยตรงมันไม่อยากแล้วเร่องอยากทําทั้งๆที่เราต้องการมาปฏิบัติทำด้วยความสนใจอยากพ้นทุกข์แต่ที่มันแทรกอยู่ในนั้นมัมนอยากโก ง, งเันข้ามไปหมด เห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสสัมผัสอะไรมันมีเป็เรื่องของจิเดชพาให้อยากพาให้เป็นไปไม่ใช่เรื่องของธรรมเรื่องของธรรมนั้นมันชั่วขนาดชทา่านั้นเรื่องของจิเดชนี่มันเป็นพื้นไปเลยตลอดเวลาแล้วจะถอนจิเดชที่ตรงไหนถ้าจิเดชที่ตรงไหนถ้าอะไรที่เป็นภายอันยิ่งใหญ่ภายในหัวใจของสัตว์โลกยิ่งกว่าจิเลช ที่โลกทั้งหลายไม่เห็นเคิ่มไปตามเพิ่มไปตามรับไปจนไม่มีเวลาตื่นไม่สนใจจะตื่นนั่นเพราะอะไรเนีเพราะความกล่องของกิเลสมันกล่อได้สนิทขนาดนั้นบอกแล้วเราไม่เคยมีทรมากล่อมใจเราพอเป็นคู่แข่งกับกิเลสแล้วมันจะรู้ได้ยังไงว่ารถแห่งธรรม ชนะโรจิเลตหรือยิ่งกว่าโรจิเลตเยี่ยมกว่าโรจิเลตเราไม่เคยเห็นเราไม่เคยปรากฏไม่เคยสัมผัสภายในจิตใจอยงว่าสมาธิทำนี่เรียนกันดูงั้นปฏิบัติเพื่อสมาธิแต่มันก็เพื่อกิเลสไปในตัวด้วยความสวมวอยของมันนั่นแหละนี่คือมันถึงหนักใจเพราะนี่มันเคยได้ต่อสู้เคยฟัดเคยเหยียงกันมาแล้วแทบเป็นแทบตายที่ยิด เดินตายมาเพราะการต่อสู้เพราะการฝ่าฝืนฝ่าฝืนอารมณ์ก็าฝ่าฝืนฝ่าฝืนธาตุฝ่าฝืนขันเรื่องคงวามเจ็บปวดความทุกข์ความทรมารเพราะการต่อสู้ยิเรศก็ได้ฝืนมันฝืนอยู่ทุกแง่ทุกมุมการงงงงงสู้ยิเรศไม่มีระยะที่จะไม่ฝืนจนกว่าว่ามีคำแทรกขึ้นมาแทรกขึ้นมาพอได้ยึด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 เท่าความละเอียดของธรรมมีเป็นขั้นขั้นกันตอนเช่นเดียวกับความละเอียดของกิเลสสุดท้ายก็ธรรมก็แหลมคมยิ่งกว่ากิเลสเหนือกิเลสที่เรียกว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือสมมติธรรมเหนือโลกการปฏิบัติถ้าไม่ฝืนจริงๆอย่างว่านี่ไปไม่ได้นะแต่จมไปอย่างนี้เอยไปอย่างเนี้ยวันคืนปีเดือนก็เอาอะไรมีแต่มือกับแจ้ง เราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งเหรือไม่วังอะไรกับสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่มันเคยสัมผัสสัมพันธ์มาแล้วมันนับได้เมื่อไหร่เรื่องของสัมผัสสัมพันธ์มันเป็นอยู่ภายในอายุธนะของเราตลอดเวลาแล้วนับมันได้อย่างไงแล้วผลประโยชน์ที่ปรากฏขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์นั้นได้อะไรบ้างสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่จะควรนํามาทดสอบในวงปฏิบัติเพื่อกําจัดวิริยะ ไม่ต้องสงสัยอยู่แล้วนูก็ไม่ได้ทดสอบถ้าทดสอบก็ต้องมี <c oughs> การเ็ดลาบกันผูมาใหม่ก็ต้องรูผู้ยู่เก่าหูมีตามีใจมีมาเพื่อศึกษาอย่าให้ได้หนักกกหนักใจในสิ่งากบยากซึ่งไม่น่าจะต้องตั้งนโมธมมาจโรกาอาราธนาเทศสอนกนรทานานั้น มาศึกษาอะไรเพื่อความรู้ความเข้าใจทางตาทางหูทางจมูก ท, ทางลิ้นทางกายทางสัมผัสทางผันธเป็นสิ่งที่จะให้เข้าใจทางนั้นถ้าต้องการความเข้าใจนอกจากไม่เอาไหนนะขอให้ยิ่เด็นล่าไปช่้งสดสดร้อนร้อนมันน่าสรุดสังเวณนะแดนนิพพานไม่ใช่อยู่อย่างที่เป็นอยู่นี่นะผู้ก้าวเดินเพื่อแดนนิพพา น, านไม่ใช่ก้าวแบบนี้นะ แบบหลับหูหลับาตาตกอดเวลาคือสติไม่มีความภาคเพียรไม่มีมีแต่กิเลสลากไปลากไปก็คือแดนแห่งมัตตจักนั่นเองจะไปแดนไหนที่มันเป็นไปอยู่ในหัวใจนี้เป็นไปเพื่อแดนมัตตจกักรนี่หมุนไปตลอดเวลาไม่มีเบื้องต้นเบื้องปลายเาจะตัดวัฏตะความหมุนของนให้สั้นเข้าสั้นเข้ามันก็ต้องได้มีต้องได้ต่อสู้ ไม่มีงานมีการอะไรมีแต่คิตแต่ภาวนาทุกยากลำบากขนาดไหนก็สู้ที่เราเป็นนักสู้สู้วิธีนี้แล้วสู้วิธีนั้นพลิกแปลงเปลีปล่ยนแปลงวิธีการต่อสู้ดูโดยสม่ำเสมอจึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในเชิงรบในเชิงต่อสู้ <c oughs> ไม่อย่างนั้นจมมีเคยพูดเสมอเรื่องสติปัญญาที่จะแก้กิเลนนี้เป็นสติปัญญา ที่ผิดขึ้นโดยธรรมโดยตรงทีเดียวสิ่งที่เราคิดทางโลกๆที่จะนำมาใช้นั้งก่อนได้นิดๆหน่อยๆก็ไม่พ้นที่เด็ดที่จะคว้าไปเป็นเครือ่องมือของมันจนได้เลยจึงต้องสติปัญญาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติทั้งตัวนี้เท่านั้นและสรุปางแล้วคือสติปัญญาในวงพิฏตาภาวนานี้เท่านั้นเป็นที่จะ ล้างปชาช้าภาณในจิตใจออกให้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือคือปัญญาประเภทนี้เท่านั้นไม่มีปัญญาใดในสามแดนโดยประทานนี้ที่จะสามารถถอดถอนจิตออกไปได้โดยดับดำดามปีปัญญาที่กล่าวมาสามประเภทนั้นอยางที่เคยพูดแล้วสุตตามิยปัญญาการได้ยินได้ควาจากครูจากอาจารย์เพื่อสติปัญญา เพื่ออุบายวิธีที่จะนำไปใช้ในการแก้กิเลสของตนนิ้ตามัจยะปัญญาคิดอ่านตรายตรองด้วยอุบายแยกขายเพื่อจะแก้กิเลสเพื่อแก้กิเลสนี่ภาวนามายะปัญญานึก <c oughs> เป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลายนี่ละ ปัญญาแท้เครื่องมือแท้ที่จะแก้วัตจักรออกภายในจิตมีปัญญานี้ประเภทเดียวเท่านั้นรวมลงไปอยู่ประเภทนี้อย่างเดียวจําให้ดีอุปฏิบัติเมื่อได้ก้าถึงปัญญาขั้นนี้แล้วอยู่ไหนก็เป็นปัญญาหมดไม่ต้องอาศัยดิบดีมาจากที่ไหนไม่ต้องไปศึกษาจากใครนั้นหากผิดหากเป็นขึ้นมาภายในจิตใจทั้งนสัมผัสสัมพันธ์ทั้งไม่สัมผัสสัมพันธ์มันผิด ตัวเองอยู่ตลอดเวลาปัญญาประเภทนี้แล้วเหมาะสมกันกับกิบเลสที่มันผิดตัวเองมันทําหน้าที่้มันอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกันนั่นแหละเครื่องแก้ก็เหมาะสมเครื่องแก้ก็พอๆกันหรือเหนือกันไปโดยลํำดับดลำดากิเลสที่มันทํางานอยู่โดยอัตโนมัติในหัวใจของสัตว์สติปัญญาในขั้นภาวนาปัญญาปัญญานี้ก็ทํางานทุงตนโดยอัตโนมัติไม่ต้อง หาหยิบยืนจากที่ไหนหกเกิดขึ้นมาได้กเกิดขึ้นมาได้คิดแปลงเปลี่ยนแปล ง, ปล ง, ปลงหลายสันหลายคมเป็นไปเองในธรรมชาติของปิตฐมีที่อยู่ในบนเวทีกับกิเลสเนื้อ่นเรียกว่าภาวนามยปัญญาแฉพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายถอดถอนลางเงาข้ามูลเผื่อวิชาออกจากใจเพราะปัญญาประเภทนี้ไม่ใช่ปัญญาประเภทไหน คือตามมัญยปัญญาคินตามมัญญปัญญาเป็นเพียงพื้นพื้นหรือเป็นเป็ น, ป น, ปนพื้นฐานที่จะก้าวเข้าไปสู่ปัญญาประเภทนี้พอถึงขั้นนี้แล้วเป็นขึ้นมาเองเิ่งการณ์สาขาแตกแขงนงออกไปจากปัญญาประเภทนี้ผู้ไม่ปฏิบัติผู้ไม่รู้ไม่เห็นพูดไม่ได้ปัญญาประเภทนี้ผู้ปฏิบัติผู้เป็นไปผู้ได้เต็มปาก โดยไม่กระดากอายกับใคเพราะเป็นขึ้นในหลักธรรมชาติของจิตแท้ของธรรมแท้ๆภายในจิตนี่แลหละคือปัญญาหรือถอนแท้ปัญญาอันนี้เองเนี่ยมันจะมีมากขนาดไหนไม่มีเวลาผิดตัวขึ้นมาได้หละถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วมีแต่หลบแต่ซ่อนที่เด่าว มันก็ฉลาดมันจะไปทิ้งวัฏฏลายยังไงกี่เหลี่ยมมันฉลาดครองโลกมานานแสนนานครองหัวใจมานานแสนนานเมื่อถูกตีต้อนจากสติปัญญาทางนี้มันก็ต้องหลบต้องหลีกหบฉากแต่มันก็ว่าพ้นที่จะพิณาพัทางทลายออกไปจากใจด้วยปัญญาประเภทนี้เอาจนกระทั่งไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจแล้วนี่โล่งไปหมด มีอะไรเป็นภัยต่อเราอยู่เคยเป็นมาเป็นมาก็ทราบเรื่องธาตุเรื่องขันเจ็บใข้ได้ปวดกี่เดือนก็เข้าแทรกให้เกิดความเดือดร้อนเสียใจกลัวเป็นกลัวตายเนี่ยกี่เดือนมันแทรกแทกอยู่มันอันนี้เมื่อความแทรกอันนี้มันได้สิ้นแทรกลงไปแล้วอะไรจะมาแทรกเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปวดก็รู้ว่าปวดธาตุขันมีคนมีการก็รู้รู้โดยหลักธรรมชาติไม่เสกไม่สันไม่ปั้นไม่ยอ่อ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 ทุกเกิดขึ้นในธาตุในขันต์ก็เป็นจัตจตธรรมอิทุขัตร์นีแล้วมันจะมีอะไรมาเสียดมาแทงจิตใจขันต์เป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นมันคลองตัวอยู่ได้ก็คลองเมื่อมันคลองไม่ได้ก็ตามสภาพของมันเพราะมันพร้อมที่จะไปอยู่แล้วเมื่อถึงการแล้วห้ามมันไว้ทําไมเยียวยากันไปตามเรื่องตามหลังเยียวยาไม่ได้ก็ปล่อยไม่ได้ก็ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้แบบไม่หาอุปทาน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 คำลงในเกียร์ได้สิ้นสร้างลงไปแล้วไม่มีอะไรเป็นภยัยขันก็เป็นขันเป็นภัยอะไรรู้ตามเป็นจริงโดยหลักธรรมชาติอยู่แล้วไม่ต้องบังคับปัญชา <c oughs> เป็นหลักธรรมชาติความจริงอยู่ด้วยความจริงไม่มีอะไรกระทบกระเทือนกันเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดรู้ว่าเจ็บรู้ว่าปวดแต่แตกก็รู้ว่าแตกอความรู้นี้ไม่ได้ละตัวเอง แต่ความรู้ในวงขันนี่เพิ่งทราบว่าขันนะแต่ความรู้ในหลักธรรมชาติอันนี้นที่ว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์นั้นไม่ได้เป็นความรู้ประเภทเหล่านี้ที่กล่าวมาเหล่านี้เพราะฉะนั้นคำว่าพระละหันนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระลา น, น, นจึงบุคคนไม่เคยภาว น, นาจะไปรู้เรื่องของพระละหันได้งไง อาการทั้งหมดเป็นความรู้ที่ปรากฏอยู่ในวงขันนี่มันเป็นสมมติมันเป็นขันทั้งนั้นมันไม่ใช่ชาคระธรรมนั้นที่เอานํามาอ้างว่าพระอรหันต์เป็นชาคระธรม ร, ร, ะธรมพระพุทธเจ้าชาครธรรมตื่นอยู่ตลอดเวลาถ้ายังหลับนอนอยู่แล้วไม่ใช่พระอรหันต์ชาคระนั้นไม่ได้ไม่อยู่ในวงขันการหลับการนอนเป็นเรื่องของขันท่าผ่อนหย่ตัวเป็นธรรมดารู้กับรู้อยู่ในวงขันไม่ใช่วิสุทธิธรรมหรือไม่ใช่วิสุทธิจิต รู้เหล่านี้มันเกิดมันดับได้นี่ฮมันเป็นสมมุติมันเป็นอนิจจังทุกขงังตาตามแบบธรรมชาติของมันถ้าือเป็นวิสุทธิจิตที่เป็นชากรธรรมทำไมจะไม่รู้อาการเหล่านี้ที่แสดงตัวอยหลงแล้วหลับแล้วตื่นทําไมจะไม่รู้เรื่องของขันสงบตัวเรื่องของขันตื่นตัวขึ้นมาทําไมจะไม่รู้ถ้าเป็นชากระธรรมในจิตจริงๆนอกจากชากระไม่ไม่มีเลยในจิมตจมีแต่แลมแต่แรงลมปาก เรียนจดจํามาตอนนั้นเหมือนกับเป็นเหมาาทั้งขันเหมาเอาหมดว่าเป็นชาคลธรรมแล้วก็นอนไม่ได้พระอรหันต์เป็นบ้าขนาดนั้นเถอะเหรอดูเรียนความรู้วิชามาจนถึงท่านท่านขั้นชาคลธรรมแล้วยังมาหลงชาคะธรรมออืเรื่องการหลับการนอนเป็นเรื่องของท่าขนของขันพระอรหันต์ท่านไม่สงสัยชาคลธรรท่านก็ไม่สงสัย เรื่องท่านเรื่องขันเรืงเรื่องพักผ่อนหลับนอนเก็บนั้นปวดนี้ท่านก็ไม่สงสัยเพราะท่านทรงไว้ทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นความจริงล้วนๆชาคลธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ความจริงสุดยอดนอกสมมุติแล้วในวงขันก็เป็นชาคละโ ก, ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งของขันนี่ท่านรู้รอบไปหมดแล้วท่านจะไปสงสัยอะไรกับการหลับการตื่นนอนหรือไม่นอนท่านรู้ท่านเองเราอวดรูด้อวดฉลาดทั้งนี้ ไอย่างนั้น่นั่นแหละคนโง่โอดฉลาดมันน่าหมั่นใช่ขนาดไหนปราดที่เห็นความจริงจริงถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่ไม่ได้หมั่นไช้พระพุทธเจ้ามีบทบาทใดที่โลกทั้งหลายได้มั่นไส้มีไหมสอนโลกมานานเท่าไหร่กว้างขนาดไหนแปดมือธรรมขันธ์นี่เพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากนะ ที่จดจำเรียวไหวแปดหมืนสี่พันประจำนักันพอให้เหมาะดีกับคำให้เหมาะสมกับกำลังของสัตว์โลกที่จะจดจำแต่้ปฏิบัติตามไม่ได้มากมายเลยและมีบทใดาบาทใดที่หน้ามันไช่มีไห ม, มพราะเป็นความจริงล้วนๆหมดเอาอะไรมาหมันไส่ความหมันไช่นั่นก็คือเรื่องของกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมอยู่แล้วถือมาเป็นอารมณ์อะไร คำามันใช่ก็คือว่าผิดจริงๆมันน่ามันใช่ต้องเหมือนไช่นั่นคือตำหนิตามความจริงให้ตำหนิแบบที่เหลวความจริงกับความจำมันมาเป็นค่าศึกกันได้ถ้าลงได้รู้ความจริงให้เต็มเมเ็ดเต็มหน่วยแล้วจะ อ, อะไรมาเป็นค่าสือืกความจำเป็นได้เพราะความจำมีที่เหลเป็นเจ้าของเท่านั้นเี่ ยกตัวอย่างเช่นศึกษาเราเียนมามากน้อยในด้านธรรมะนั่นแหละ<ฮ>เรียนไปให้จบพระกาไปเดือดมันจะเกิดความสํางกาขึ้นมาว่าตนมีความรู้ความชลาดมากเป็นความถือเป็วความยึดขึ้นมาในนั้นออกของั้นก็พยองผองตนไปแสดงออกมาทางมารยาททางกิริยาท่าทางได้กันเรา เหมือนจะเป็นจอมปราดไปนั่นแหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงนั่นเอาอะไรามาพองไม่มีอะไรที่จะพอมันเหมาะเจาะสัทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องที่มันปีนเกลียวนันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเฮครูบาอาจารย์ก็ล่อหลอลงไปล่อยลลงไปเห็นไหมล่ะ ใครจะสอนเองให้ถึงเหตุถ et ha ึงผลถึงอัตถิธรรมถึงความจริงเต็มจัตเต็มส่วนด้วยฟังอย่างเต็มหัวใจถ้ารู้ไม่เต็มหัวใจแล้วสอนจะเต็มหัวใจไม่ได้นะรู้ไม่จุใจเทศก็ไม่จุใจผู้ฟังก็ไม่จกใจเนี่ยสําคัญครูาอาจารย์ท่างหลายที่ท่านเทศให้ถึงเหตุถึงผลก็คือท่านรู้เหตุรู้ผลเต็มเหตุเป็นผลบรรจุไว้หมดแล้วไปในในสิ่งที่ท่านนํำนํามาแสดงแก่พวกเรามันเป็นที่สงน่าสงสัยที่ตรงไหน นอกจากเรายัางปฏิบัติไม่ได้ไม่ถึงไม่เข้าใจเท่านั้นก็รูปความคําไปตามภาษีภาษาฉะนั้นเท่านผู้รู้จริงจริงท่านเอาอะไรมารูปมาคําท่านทอดออกมาจากความจริงซึ่งรู้เด่นอยู่ภายในจิตทั้งท่านสัจธรรมก็ปรากฏเด่นธาตอยู่นั้นนำอนั้นมาแสดงแก่โลกท่านไม่ยึดสัจธรรมแต่ท่านเอาสัจธรรมซึ่งเป็นทางดําเนินทั้งฝ่ายผูกฝ่ายมาัดมาสอนโลกได้อย่างเต็มหัวใจเต็มปะ ท่านไม่สงสัยอย่าเอาอาดีตอนาคตเข้ามายุ่งในวงความเพียนนะนี่แหละคือเรื่องเอาเกียรติคําว่ายคว่าเลียดเขายุ่งผู้ใดๆใ น, น, นความลําบากลําบนต่อการประกอบความภาคเปลียนวันนั้นก็ประกอบมาอย่างนั้นวันนี้ประกอบมาอย่างนี้นเป็นความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความทุกข์ความทรมานนี่เราจะสู้ไปได้ถึงไหนนะนานเอาละนะ กิเลสมันพันเข้ามาแล้วมันจะให้ก้าไม่ออกกิเลสมันพันหัวใจมากี่กับกี่การไม่เห็นคิดอินทร์นาราใจกับมันบ้างถ้าจะแก้ธรรมก็ต้องแก้่แบบแก้มันก็ต้องแก้อย่างนี้นักปฏิบัติต้องสวนกันสวนหมัดกันเรียกว่านักปฏิบัติเพื่อความฉลาดเหนือกิเลสมันจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่เลยตายแล้วตายจะมีในกลองทุกข์ที่มากี่ภพกี่ชาติเกิดชาติไหนภบใดภพไม่ตายมีเหลือ ก่อนจะตายมันทุกข์รือขนาดไหนแล้วเราเอาขันอันนี้ประมวลขันทั้งหลายอดีตเข้ามารวมและอนาคตเข้ามาดูในวงปัจจุบันนี้มันก็รู้ทันหมดมเคยตายมาเท่าไหร่เคยทุกข์มาเท่าไหร่ทําไมไม่เห็นอินทรัละอาใจการประกอบความเพียรเพื่อต่อสู้กิเลสทําไมมันอินทราลอาใจทาไมแพ้กิเลสอย่างปุ้ยจนเกาะหาทางออกมาได้เลยจะเป็นจะเรียกว่าอะไรนักปฏิบัติ เฮ้เวลามันปิดนี่มันปิดจริงๆนะปิดจนหาทางออกไม่ได้มันลากเราไปต่อหน้าต่อตานี่ไม่ลืมน้เ น, นี้นะ่ะมีเหตุที่จะได้กดอาหารผ่อนอาหารอดอาหารเพราะอันนี้แหละมันลากมันถูต่อหน้าต่อตากำลังมันมากกว่าเราต่อสู้ต่อสู้กันเหมือนผู้ใหญ่จูงแขนเด็กวิ่ง เด็กที่ต่อสู้ขัดขืนนั้นเขาเท่าไรมันก็สู้กําลังผู้ใหญ่ไม่ได้มันก็เอาไปต่อหน้าต่อตาเด็กไปพอใจร้องห่มร้องไห้มันก็ต้องถูกลากถูกถูกไปจนได้นะอันนี้เหมือนการยิ่ลๆแล้วไม่พอใจขนาดไหนมันก็ลากไปจนได้เวลามันกําลังมากเหมืนเนื้อหาวิธีแต่อพออย่างยิ่งละทะตันหาเป็นส้าขันอันนี้จะพอลดหย่อนพอพัดพอเหวี่ยงกันได้บ้างพอพยุงตัวไปได้ครับ คือการผ่อนเมื่อผ่อนแล้วความเพียรก็ก้าวอย่างน้อยก็สงบอันนี้ไม่คึกไม่ขนองเพราะเครื่องมือเครื่องส่งเสริมในการตัณหามันไม่อำนวยกำลังถูกตัดลงไปเรื่รรรินาทหมดแล้วนี่ถึงต้องในตอนนี้ช่วยนอกจากช่วยในขั้นนี้แล้วยังช่วยเพื่อความคล่องตัวของสมาธิ คามละเอียดของสมาธิความคล่งตัวของปัญญาไปไม่มีสิ้นสุดนะดังนั้นถูกกับจริตแล้วส่วนมากถูกเพราะสิ่งนนี้มันตัดทอนกําลังของกิเลสเครื่องมือของกิเลสได้เป็นอย่างดีแต่การสมาธิเองมันก็ละเอียดในเวลาที่เราอุทานกับเวลาที่ปกติผิดกันอยู่มาก ละเอียดนั่งอยู่กันละเอียดใช้จิตเป็นสมาธินั่งอยู่ก็ละเอียดละออยิ่งมันสงบตัวลงไปแล้วก็ยิ่งละเอียดนี่พูดถึงขั้นปัญญาการพิจารณาทางนั่งปัญญาก็คล่องตัว ม, มันจึงเป็นความจําเป็นที่จะต้องเลยอดด้วยพอร์ตมันอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะผลมันมีอยู่อย่างนั้นมีขั้นพื้นพื้นแล้วยังมีขั้นต่อไปอีก่โดยลึก ขั้นพื้นๆก็คือขั้นต่อสู้กับวิเรศตัวมันผาดผนด้วยการผ่อนการอดทหารก็รตัดกำลังเครื่องมือของมันออกไปไม่ให้มันมีกำลังมากถึงขานาดที่ว่าถูไทยเราลากเข็นเราไปต่อหน้าต่อตายังพอพัดพเป่าเหยียมกันไปออกจากนั่นก็ทำให้จิตจิตเป็นสมาธิสงบได้ดีละเอียดตรงไปทาให้ปัญญาคล่องตัว ผมเันื่อยนะหยุดมาพูดธรรมะทั้งหมดแต่ละครั้งละคระพูดแบบโลกเห ม, มือนได้ตั้งท่าตั้งทางอะบุอย่้มันไม่เหมือนแต่ก่อนพูดอะไรคอยจะเหน่อยคอยจะจับแสดงอาการที่อีกที่ขวาง่าดขันกันแสดงทำทั้งนั้นก็ปื้อน มันางหมกวันตั้ ง, งใจสวดปฏิบัติมาศึกษาวรวมก่ันม า, มาจึงมาจังจะ่ามาทำเล่นๆแล้วหล่อแหลกขวางหูขวา ง, งตาปียาการที่แสดงออกอยาให้เห็นความขนองอย่าแสดงความขนองให้เห็นในทางปียามารยาดูไม่ได้นะนักปฏิบัติไปแสดงหาอะไรความขนองก็เป็นเรื่องของกิเลสดูแล้วสนิทกันก็อย่ามาสนิทแบบีิเลยเหยียบหัว มันจะเห็นการโดยธรรมยับไปมันเห็นแล้วยับไปมันได้ยินแล้วอย่างเงี่ยมันจะไม่ทิ่มสมองอยู่ตลอดเวลา ย, ยัางไงถ้าว่าสมองถ้าทิ่มหัวใจก้าทิ่มจนมันจะเลอะมันจะเละกันนั่นเองไอสิ่งทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับหมวกกับเพื่อนไม่เข้ามาทิ่มภายในหัวใจเนี่ยมันไม่ทราบเลยหรือว่านี่หัวใจมันจะพังนะมองไต่างตามันก็ทิ่มเข้ามาฟัางทางหูมันก็ทิ่มเข้ามา เจ้าของไม่ชอบเข้าใจเจ้าของไม่สนใจจะรู้จักกับเรื่องของเจ้าของแต่ให้คนอื่นไปรู้ให้หนิสิไม่ได้ตั้งใจจ ะ, จะยกโทษยกกองหมูกเพื่อแต่มันก็เป็นอย่างนั้นจะว่าไงมันเห็นอยู่นี่ตามตาอยู่นี่ตามหูอยู่นี่จัดเทื่อนก็ถึงใจอยู่ตลอดเวลาว่าไงนี่เรียว่าคิดค่าคิดเด็ดค่ากันอย่างนี้หนิค่ากันด้วยความคิดความกนองค่าด้วยความจีดขวางทําอย่างนี้เละ มันเป็นทางแล้วสติปัญญาอยู่กับไหนถ้ามันอยู่ของหัวใจสิ่งอันนี้มันแสดงมาจากไหนมันแสดงมาจากใจถ้าเป็นผู้มีสติปัญญาอยู่แล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องการแสดงออกของสิ่งเหล่านี้นี่ทำไมผู้อยู่ไกลๆไม่เห็นได้สัมผัสสัมพันธ์ได้รู้ก็ของไม่รู้เป็นยังไงนักปฏิบัติเสียดายไรโลกอันนี้ ถ้าพูดถึงป่าชา้ามันก็เป็นป่าชา้าทุกลูกทุกน้ำทั้งสัตว์ทั้งคนในน้ำบนบกบนอากาศมันเป็นตโยชนมันวิเศษอ้ายความเกิดความตายอันนี้จังทุกขังอนัตตามันวิเศษอ้ายสิ่งที่หลุดพ้นจากนี้ไปตอนนั้นเป็นของวิเศษผู้ที่มาประกาศทำสอนโลกคือไข่ถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษสิ่งที่เราจมในนี้มันวิเศษอะไร พอที่จะติดจักรพันธ์มันนั่งนาไม่อิ่มไม่พอไม่จืนไม่จากนี่นมันทําให้หนักใจอยกได้ยินได้ฟังหมู่บ้านมาพูดเรื่องพอนาเป็นยังไงนหังก็ทํางานเพื่อทําเหล่านี้อยู่แล้วมันทำามไม่ปรากฏทําเหล่านี้ก็ที่จะสัมผัสสัมพันธ์ที่จะรับภาพที่จะยืนยันกันก็ยืนยันกันทิ่ใจของผู้ปฏิบัตินี้่ขนาด ไม่ได้ไปยืนยันที่บนฟ้าอากาศที่ไหนพอที่จะอากาศมืดไม่มีธรรมมายืนยันอากาศร้อนไม่มีธรรมมายืนยันอากาศหนาไม่มีธรรมมายืนยันธรรมอยู่บนฟ้าอยู่บนดูอากาศอยู่กับมืดกับแจ้งอั่างนั้นเหรอธรรมอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่กับสิ่งเหล่านั้นพอที่จะควา้วาผิดคว้าถูกนํามาสแสดงได้ยากมายืนยันได้ยากอะไรมันอยู่ที่ใจ ที่เรตูตรงไหนทําอยู่ตรงนั้นความมืด อ, อยู่ตรงไหนความสว่างก็อยู่ตรงนั้นผิดขึ้นมาหนูไม่ได้ยินหนูทำไงสิ่งที่เราพาผ่านมาผ่านมาจนกระรั่งปัจจุบันนี้ก็คือสิ่งที่เคยผ่านอยู่แล้วมันมีเสียพิโสอะไรทํายังไม่เคยผ่านยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นแล้วจำปราบไปด้วยผู้าาประธานองค์คอพรปพุธเจา เขาที่ฝืนเข้าไปสิฝืนเพื่อาศาสดาทำของาศาสดาเป็นประธานวิเศษมันก็สุดจะเป็นนั่นแหละไม่มีใครยิ่งใหญ่กว่าใครมันพอๆกันหมดแข่งกันไม่ได้เรื่องของวิเศษความโลภความโกรธความหลงราคาตัญหาความเกิดเจ็บจตายันเป็นสาเหตุมาจากวิเศษมันเป็นมาด้วยกันไ <c oughs> ม่เห็นมีใครวิเศษวิสโสอะไรดูภายในตัวนี่สิ เราจเห็นที่ว่าจิตเวลานี้มันแบกอะไรอยู่มันเห็นในทุกยากลํำบากลําบนสัญญาอารมณ์เต็มหัวใจขาดนู่นขาดนี่มีแต่กิเลสมันสร้างเหตุการณ์ขึ้นภายในจิตใจทั้งหนักทั้งเบาอดีตที่ร่วมไปกี่ปีกี่เดือนแล้วมันเลือดด้านมันก็คว้าขมาเผาเจ้าของอนาคตจมลงแรงๆมันก็คว้าขมาเผาเจ้าของปั้นเป็นความยิ่งขึ้นมาเผาเจ้าของปัจจุบันมันก็ไม่รู้ทั้งแต่ที่มันสร้างอยู่นั่นน่ะ สร้างเหตุการณ์คือฟืนไฟเผาอยู่ของมันก็ไม่รู้และทํำไงสิ่งเหล่านี้มันเป็นของวิเศษเลอและสร้างทำเพื่อชั่นล้างสิ่งเหล่านี้เพื่อปราบตามเถียงนี้ให้มันสิ้นสร้างปจากษ์ติใจเท่านั้นเวลานี้เรามาบวชในศาสนาเราไม่ได้เห็นที่ว่าจิตที่พ้นจากภาวะเหล่านี้แล้วเป็นอย่างไรสื่งที่เดืดมันผูกมันมัดอยู่ผลมันเป็นยังไง เอาเกิเลถ้ามันแหลกไปจากใจแล้วผลจะเป็นยังไงให้ได้รู้ได้เห็นกนสิใจของเราเนี่ทำเอาพระเจ้าแสดงทุกร้อนร้อนพร้อมที่จะปรากฏขึ้นในใจของผู้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาจึงเรียกว่าอาการลิโก่ยังทำมันมีการไม่มีสถานที่เปรตมลาขอให้ดำเนินเข้าไปเถอะนี่ทำพร้อมเสมอที่จะเกิดแต่ก็เกิดไม่ได้เพราะกิเลสมันปิดมันงัง ช่องทางแห่งธรรมที่จะให้เกิดไม่เกิดไม่ได้เพราะเหตุ น, นี้ต่างหาไม่ได้เกิดไม่ไม่ใช่ทําเกิดไม่ได้เพราะอากาศมืด อ, อากาศร้อนอากาศหนาวสถานที่มาปิดมาบังมาหุ้มหอ่อเกิดไม่ได้เพราะกิเลสปิดต่างหากแก้มลงไปตรงที่ตรงนี้เลยาวมะเป็นอารมณ์ความยากความรอดในการประกอบความภาคเพีย เอาประวัติวงปัจจุบันเป็นทางต่อสู้กันเป็นวิธีการต่อสู้หนักขนาดไหนก็ให้รู้ทุกมันเกิดแล้วมันกระดับได้เหมือนกันผู้รู้ว่าทุกขเกิดทุกดับนั้นมันไม่ดับกลัวตายอะไรผู้นี้มนไม่ได้ตายหนึ่งตายเป็นเรื่องธาตเรื่องขันจะหลายตัวเท่านั้นแจะสมมุติทับลงไปอีกว่ามันตายความจริงแล้วอะไรมันตายดินเป็นดินมาตั้งแต่กลับไหนกลับไหนมันตายที่ไหนน้ําลงไส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 ลงถึงขั้นความจริงว่ามันจะเอาอะไรมากลัวนอกจากกล้าหาญเต็มที่ต่อความภาพเลี่ยนเมื่อผ่านนี้ไปแล้วความกลัวมันก็ไม่มีความกล้าก็ไม่กล้ากล้าหาอะไรกลัวหาอะไรเนี่ยเมื่อพอโตแล้วพอตัวแล้วกล้าก็ไม่กล้าหาญก็ไม่กล้ากล้าก็ไม่กล้ากลัวก็ไม่กลัวรู้ตามความจริงทั้งต้น สติเป็นของสําคัญพยามตั้งไม่ได้อยู่ในวงในก็ห้มอยู่ในวงไกลไม่มันหนีจากนี้เป็นสัมปัตยัญญะอินทรีย์เป็ น, นลึกเป็นที่เป็นฐานเป็นจุดเป็นต่ํานี้เรียกว่าสติความรู้รู้อยู่ทั้งตัวความรู้ตัวซ่านไปหมดในตัวนี้เรียกว่าสัมปัตยัญญา รู้พร้อมรู้รอบอันนี้แหละที่จะไปรวมตัวให้เป็นกําลังขึ้นมากลายเป็นมหาสติขึ้นมาได้เพราะอันนี้รวมตัวเป็ น, นมหาสติแล้วตั้งไม่ตั้ ง, งก็รู้หาสติมหาปัญญาปัญญาที่ ทำงานภายในตัวเองโดยไม่ต้องถูกฝังคับขู่เข็นดใดๆนั่นเป็นปัญญาที่ควรเก็บหรือพบหร้ชาติได้อย่างมันม่นคะไม่มีอะไรสงสัยการประกอบความเพลียนในสีตั้งลากตั้งฐานในเบื้องต้นคือความสงบใจนี้มันยากดยกันนั่นแหละต้องใช้าหาบายวิธีการหลายอย่างหลายด้านหลายทางดังที่กล่าวเบื้องต้นนั้นเช่นอด ข้าวอดน้ำาดพมแค่แตายเพราะร่างกายมีกำลังมันคอยจะจุดดิดเพื่อหาฟืนหาไฟมาเผาจะของตลอดเวลาและดีดดิ้นต่อหน้าต่อตาด้วยนี่ก็เป็นความทุกข์พอถึงขั้นปัญญาแล้วมันไม่ได้ว่านักทุกข์ไม่ทุกข์นะ มันตลุมบอนไม่ได้สนใจความยี่งเกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดตอนแรกตอแร่อ่อนเนี่ไม่มีมีแต่หมุนติ้วติ้วกิ้วอยู่ยาบทใดมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแม้ที่สุดฉันทหารอยู่มันก็ไม่ได้รับการทํางานไม่ได้สนใจกับรสชาติอย่างอาหารใดๆทั้งสิ้น <c oughs> แต่ทําหน้าที่ระหว่างกิเลสกับธรรมที่ต่อสู้กันอยู่ภาในใจ โดยหลักธรรมชาติหรือโดยอตนมัตินั่นแหละที่ว่าปัญญาที่สร้างตัวเองขึ้นมาโดยไม่ต้องไปคิดไปศึกษาจากใครอันนี้หมุนขึ้นมาหมุนขึ้นมาปัญญาประเภทนี้สติประเภทนี้และเป็นประเภทที่ทันสมัยที่สุดนี่เดนนี้นับวันที่จะขาดสะบัดลงไปขาดสะบัลงไปถ้าจะเทียบเป็นวัต ถ, ถุกห็หางขาดขาขาดไปเรื่อยถูก สติปัญญาฟาดฟันเข้าไปขาดเข้าไปเยอะกว่าหัวขาดะพังถลายแต่กระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจเนี่ยถ้าลงสติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดไปแล้วแน่ต่อความหลุดพ้นไม่ต้องสงสัย <c oughs> เพราะสติปัญญาขั้นนี้ไม่มีคําวัดถอยมันจะพุ่งพุ่งพุ่งต้องลั้งเอาไว้หรือจะเลยเถอด เนการพริจารณาทางด้านปัญญาเถินไปกับยิเหตุสู้เขาด้วเดืจนลืมพักความสงบเพื่อเอากำลังในสมาธิท่า <c oughs> นถึงสอนไว้ละเอียดละออมาก น, นในธรรมการพริจารณาเมื่อถึงการพริจารณาและให้พิจารณาเหมือนกับออกแนวโลกกันถึงเวลาพักผ่อนก็ให้พักผ่อนในสมาธิเหมือนกับ ถอดแนวลบแล้วออกรบอีกต่อไปเรื่อ่ๆนี่เหมือนกันนั่นเป็นความถูกต้องแม่นยำหาที่ค้านไม่ได้พูดไปพูดไปผมก็นหน่อยเอาเค่นี้คืนนี้มันไม่อาการมันไม่ดีมัอชาเนี่จาดไหายไม่ได้ นี่ก็ไม่ได้ไประชุมมานานก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนหดฟื้นมาเฉยนั่นธรรมดาไม่มาไม่ช่าติก็ไม่ฉันเรธรรมดามีประฟื้นเพื่อโลกการเราเอาแน่มานในปีปนี้ปีที่ผ่านมานี่กับระยะปีนี้ยี่ผมบหี่ส็ดแสดงความซุดมากกว่าปกติ ที่เคยเป็นมาพักอะไรถึงเนี่ยพักก็เหมืมนเคยบังเนื้อไม่เคยบังเนื้นอ อ, อืมบางเนื้อก็จะามาจากทางไหนทางไหนบ้างเพระว่าปฏิบัติดูกันอย่าดูได้หนะ่ะ นาึกษาให้เต็เมไม่เต็นหน่อยทุกอย่างนาทกษาทางกายทางใจอย่าให้หนักอกหนักใจเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันทางมิตรบาบาก็ดูหมูรู้เพื่อ น, น, นหลังเราเดินมาตามหลังน่ะบางลายอู้ขวางหน้าขวางตาหนัะ ถ้าจะเร็วกว่าเดินเร็วกว่านั้นก็มาเร็วเชียร์ทันเราจะเดินแลก็แทรกกระแซงกันนั่นแหละมันขวางมันจะหลอกนะที่วางมือขวัญกัมีคร่างมีขาเราเดินควรจะทันมือขวัญมันก็ไม่ทันเอาตามเทนของเจ้าของแหละทั้งๆที่เรามาศึกษาเราที่เดินตามมาันั่นผมมันก็เลยท้าให้จีกให้ขวางด้วยทั้งนั้นแหละที่วาง ถ้าเอาเพลงไหนก็ไม่ทราบนะเบอร์มินต์บาทเวลาร์มินต์บา ท, บบาทเอาเพลงไหนไปใช้มันก็ไม่รู้นะมันมีกี่ร้อเพลงนะที่นําเอาไปใช้เพราะมันมามากกว่ามากเลยเพลงครั้งขังก็จะมีนะแล้ววันนี้กมาคุ้นกับใครไม่ได้นะเพราะญาติโยมใค ร, ใครๆตัวกันข้าเข้ามาวันนี้ แต่ว่าจบประแจงของม่ได้เป็นนะครับพอมองเห็นจะไล่อทันทีนะเรื่องนั้นเรื่องกิเลสเรื่องโลกโลกหน้าที่ของเราเป็นหน้าที่ของเราหากมีเหตุที่จะพูดจาภาษาเขาบ้างก็พอประมาณในเหตุในผลนั่นเท่านั้นนะแต่มาพั่มๆตัวเพื่อแบบที่เห็นแบบนั้นดูไม่ได้นะใครหาคุ้นกับใครมันไม่ใช่เรื่องของเราครังนี้จึงไม่มีที่เ่า พระองนั่นก็เป็นธรรมกถึกพระองคนี้ก็เป็นธรรมกถึกพระองนั่นก็เป็นนักประตบองค์นี้ก็เป็นนักประแ จ, จงเรือแท่งเรือขาวัดนี้มีไม่ได้นะยาจะแสดงให้เห็นวัดนี้นะหน้าที่ของพระเดินตามพระปฏิบัติตามเรื่องของพระแต่ประชาชนญาติโเป็นเรื่องของเขาหากมีความจําเป็นที่เกี่ยวข้องที่จะพูดกันก็พูดบ้างได้เล็กน้อยแล้วยุติตามเหตุผลนั้นเท่านั้น หนึ่ี้ทั่วไปเรื่องของนี้วัดไม่ไหนมันมีทั่วไปแล้วมันยังจะมาระ บ, บาดอยวัดนี้อื่ได้ยังไงระ บ, บาดไม่ได้วัดนี้อย่าให้เห็นนะมันเบื่อจะตายแล้วมันเรื่องของกิเลสทั้งมวล น, นี่มาเป็นเรื่องของเขาเขายินดีในอดในธรรมเขาไม่ยินดีในความประจบประแจงของเรามันเกิดประโยชน์อะไร คุ้นกับใครดูหัวใจตัวเองบินทนบัตรกัดนดูมันจะเคลื่อนไหวไปไหนความคิดความปรุงของกี่ตัวนั้นตัวพิลึกพูดง่ายมันอยู่ในนั้นน่ะมันแสดงรอบเวลาเวลาหยเดื่อยดูจะได้บาตรเวลาบินธนบาตรเวลารับบาตร น, นั้นดูภาพดูเน็มมันยั่วยุยั่ย มันลงวิกเกร์ละครตาภาพพิมพ์ไปถึงไหนมันจะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันสะดวกสังเวชนะมันเคยแล้วนกานอยู่กับคูัว ก, ก, วกมารกับเคยมาแล้วหนักอกหนักใจก็หนักมามากเคยมาแล้วเพราะนั้นนีม่มาในระยะที่เราเป็นผู้ปกครองอยู่ก่อนก็อย่าให้เห็นในั้นอีก ต่างองต่างมาเพเจตนามุ่งหัดมุ่งทํยาทญ่เด็กเขามาเหยียบย่าทำลายในวัดในว่าเพื่นฝูงนอกจากตัวของเขหยียบย่ําตัวของเราแล้วอยาให้หมูเพื่นไะม่ฉอลองปอกเปิเืกแหลกเหลวไปตามๆกันนะหูนมีตามีดูสังรวมระวังนั่นแหละนักปฏิบัติท่านนาก็ดูหัวใจเนี่ยควไปดูอะไรสวรรค์นิพพานในโลกอยู่ที่ไหน ถ้าตัวนี้ไม่สว่างมันไม่เห็นน่ะโผก็ไปก็เหมือนคนตาบอดอวดดีชนไม้ปางปางโดนไม้ตรงดูหัวแตกแต่ตัวนี้มันสว่างไม่ดูมันก็เห็นไม่อยากดูมันก็รู้อใหใจนี้ดวงนี้สว่างได้ อ, อย่างเดียวนั่นเิงความจริงข้างหลายมันปิดอยู่เม่อไรเปิดอยู่็นโลกธรรมชาติของความจริงอยู่แล้วนอกจากตานี่มันบอดตาใจมันไม่เห็นเท่านั้นแต่นักป่าเห็นมันไม่เหมือนเรา อันไม่ทราพระอยู่ยในห้องหลังเหตุผลที่จุควนพูดหนักบางน้อยท่าพูดไปเสียที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดนั่นเพราะท่านไม่หิวไม่หยเรื่องหิวหงุดหงิดเลยขอนับหน้าถือตามบ้านนั่นเจ้าของมานนับถือเจ้าของญนติเขาดื่นก็นับถือนับถือเจ้าของปฏิบัติเจ้าของให้ดีที่เจ้าของนับถือเจ้าของเต็มเหตุเต็มผลแล้วใครไม่นับถือใครนับถือก็เป็นเรื่องของเขา มันอยู่ในหัวใจเขาเขาเรื่องใสยก็ใส่อยู่ที่ใจของเขาเขาถ้ามีติเตียนก็เศร้าอยู่ในใจของเขาผิดในใจขเขาถ้าเราถูกแล้วไปเอาอะไรกับเขาหาเอากับตัวเองนี่นับถือตัวเองเคารพตัวเองก็คือเคารพธรรมสนใจปฏิบัติตรงนี้เรื่องนั้นเรื่องนอ ก, นอกเรื่องของโลกโลกยุ่ง ม, มันทําไมไม่ใช่เรื่องของข้ามันคือเรื่องของธรรมเรื่องของธรรมดูเจ้าของรักษาเจ้าของ เจ้าของแค่ภาพปลอดภัยไปมากน้นอยที่ไหนนั่นแหะเป็นมงคลแก่เจ้าของโลกธรรมโล ก, ก็ทรมอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หัวใจเราเลยยิ่งได้สิ่งภายนอกมาสัมผัสสัมพันธ์ได้แล้วมก็ยิ่งไปใหญ่แดงเปลี่วจดเม็ดเรานะเตมหกที่จะให้มู่บนได้รู้ได้เห็นยิ่งได้สแสดงเต็มเต็มผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะไม่ได้สแสดงเลย พูนขอให้พูดเต็มปากไม่หัวไม่ได้พูดแบบรุ่นรุนเดาเดาดีานะไม่สะทกสะทานท้อต้องมาจากความจริงนี่ปฏิบัติยังไงยังไงก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกเพื่อนสูงอะถ้าทําจะรู้กรู้อย่างนั้นจริงๆนี่เอาอะไรมาหลอกออถึองอยากให้รู้เดี๋ยเป็นยังไงทำอาวุธเจ้านั่นมาก็เทือนโลกมาโดยพาะพ อ, องค์ปัจจุบันศาสตาอปัจจุบันเราก็จะ สองพันหกร้อยสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็สิบปีนี่น่ะนับแต่วันจระสรูปมาจนกระทั่งวันปณิาพานมาถึงวันนี้มันกระเทือนอะไรบ้างในหัวใจเราทําเหล่า น, นี่แม้แต่สมาธิมันก็ไม่ปรากฏจะ อ, อะไรมากระเทือนออะไรมากังวานฮกังวานในความตังหัวภายในใจกังวานในปัญญาที่ท่านแสดงไว้มันมปรากฏขึ้นที่หัวใจหัวใจเรานี่มากณิพานไม่ต้องบอก จะกังวลกันที่นี่ไม่ได้อยู่ที่ไหนที่รับเรามาผลนิพพานอยู่ที่ตรงนี้นี่นะอยูกับการสถานที่ที่ไหนหึืออานรรพ์แล้วคุณจริงๆเป็นความจริงอย่างนั้นการสถานที่ที่ไหนไม่มีมีตรงนี้กิเลสอยู่ตรงไหนค่าเหลี่ยแหลกแล้วไม่ต้องถามเหมือนที่เตียนโล่หันโลกลุรุ่มลังอยู่ตรงไหนทากถังก็ไปไฟเผาก็ไปพี่ ความเปนโลกมันจะมันมีอยู่แล้วพันนั้นเป็นแต่ ว, ว่าเรียง ว, วัตถุสิ่งต่างๆปกคลุมห่อยตรนั้นมันจะไม่ปรากฏตัวขึ้นมาพอจาทำลายสิ่งปกคลุมหมดแล้วความเปลีโลกไม่ต้องถามหาอือนี่ก็เหมือนกั น, นถูกของเลวทั้งหลายเปปิดบังจิตทั้งดวงก็เลยเป็นมวนสดมวนแห้งไปมันหาความพิเศษไม่ได้สิอืมรู้สึกแล้วอร่อามเลยพอพูดทั้งนี้แล้ว